เกเป็นอาวาสที่ว่าอาวาส เ, เองมาี่เกศกำแพงเขอาพรรษาคำว่าครบไตรมาสก็คืออยู่จำารรษาไม่ไปไหนมาไหนแรงวันแรมคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะสัตตากรรียรกิจนี่ธุรกิจที่ควรจะทำจะไป ไปได้ภายในเจ็ดวันแถวกก็ว่าอย่างนั้นไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่สององค์ไปวัดนี้นั่นมันแบบบ้านั่นไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินยัยนั่นะมันเป็นโคโลโกโสไปงั้นนะพระทุกวันนี้ยิงย่งเลอะเถอะยิ่งเลอะเลอะเถอะเถอะไปมากทีเดียว ในวงปฏิบัติของเราเนี่้มันเห็นตําตาอยู่นี่อย่างไรไปยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างคนต่างด้เรเียนมาอันไหนมันเขว้ไปจากหลักธรรมหลักวินยัยมากน้อยมันต้องรู้มันนับวันไปแล้วนะ เดียวลงไปเดียวลงไปแหลมลงไปในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัดในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้ให้ การแนะนําสั่งสอนสั่งสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนอาจจะหวังพึ่งพิงเองอาศัยอะไรมันก็ไม่ปราบกุภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทพูดตามความรู้สึกแต่การแนะนําสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเทียงอยู่แล้ว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 ก็เลยกลายเป็นโลเลไปทั้งทั้งที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินยัยข้อไหนข้อไหนก็ได้ศึกษาเราเรียนเข้าใจมาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควรนะยกตัวอย่างเช่นทุโธงขวัตนะทุโดงสิบสามข้ออันละถือผ้าบางสกุล ชักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายนี่นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านกับผ้าดําเนินมา <c oughs> เห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราอยู่จริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมกับกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะระยะเพื่อจะนํามาเป็นคติ เนือปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพฤติปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นอันชบบาบังจะคุณเราก็เห็นเราก็ดูบินทบาทเป็นวัดท่านเป็นผู้บินทบาทอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจชีคล้านนั่นจึงเรียกว่าบินทบาทเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันอยู่ก็ต้องไปบินทบาท นอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินนะมันนี่มนันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละละลายละลายที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรทั้งเราเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมา เหลวก็เรียกว่าเรียกว่าเลวหรือเลวก็มาเลวในระยะนี้เหลวในระยะที่เก็บไข้ได้ปวด่วยดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำชริกามานั้น <baz. S 1> การเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยเป็นมาเลยจะว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบ ชันไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่กลับก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาทซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมายอย่างต้องฉันกับถ้วยกับจานไปอย่างนั้นข้าวก็ชันไม่ได้ฉันแต่กลับฉันแต่โจกอะไรไปนี่ก็ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อย เอาเนใส่ในบาทก็ไม่สวยจะฉันอย่างไรก็มันฉันไม่ได้นี่ข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันแต่กลับกับโยกกับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแต่ธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นสองเกี่ยวกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตั้งแต่ไหนตแต่ไรมาก็เพิ่งมาเป็ น, น ตอนเท่าแก่มานี้ยนุ่มตามทา่าตามขันเช่นซดนั่นซดนี่อะไรอย่างนี้ยิงทีก็สดโ ด, ดยช้อนบ้างอะไรบ้างก็ทําแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่แตะดัดอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทูรงขวัตได้สมทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็น ที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมาทานทุดงขอนั้นๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็าทาัดขันเป็นอย่างที่ว่านั่นดังที่เห็นเห็นอะไรฉันได้หน่อยมันก็พอทรงทัดทรงขันไปพอสดก็สดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามถ้วยตามจามอะไรนังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละยึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเลยอะเรีว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มา ติดต่อกันไม่ได้การอะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่างนี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นในนั้นหมดไม่เห็นมีเงื่อนเหลืออยู่เลยเห็นฉันในช่วยในจารย์ที่กินจ้ำๆนี้ไม่เคยเมื่อได้ไปเห็นครูบาอาจารย์พาดาเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจแล้วยึดทั น, นะนทีหนุ่มธูดงขวัดมีแต่เครื่องชําระที่เหลือความโลภ ยิเลตประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่ไม่พ้นจากผร้ดวงขวัตทั้งที่สาข้อนี้เลยที่จะกำจัดยิเลตทั้งหลายเหล่านั้นได้การชักภาพบางสกุลครั้งพุทธการท่านชักเอาตามของเศษของเดินที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนาทางจริงๆอันต่อมาก็มีศรัทธาญาโยมถาวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่างดีดีดีอย่างที่เราเคยเห็นน่ะ จนกลายเป็นผ้าผ้าผ้าไม้เลื่อยมาจนทั้งตัวนั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเลืกของพระของตัวเองให้เป็นทำตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าขี้เห้วให้มีคุณค่าภายในธรรมทำตัวให้เหมือนผ้าขี้ิหลวนั่นก็คือก็คือการทำกิเลสให้มันหมดคุณค่าลงไปอย่าให้มันแสดงนิแสดงเดช อยู่ในทุกอากับกิริยาที่แสดงออกนั้นเลยนะก็หมายว่าอย่างนั้นอยู่ในปา่าบางทีทุดงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวดนัด น, นี่กับพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระไทยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจำในการบวชเลย อบวชแล้วก็บอกลูกอมูรุเซนนส น, นี่เป็นสถานที่ชั้นเอก ถ, ถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่อนตถาคตเคยได้สมบุกสมบันสละเป็นศาสตายกับสถ า, านที่นี้มาแล้วจนได้เป็นาศาสดาเอกพูดง่ายๆไม่มีอะไรเป็นคู่เป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่าอยู่ในป่าช้า เห่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสถานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นสถานที่จะกําจัดกิเลสลงโดยลำๆๆๆดับลำดาทุดลงควัทแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรยายไปมากเพราะต่างองค์ต่างก็เห็นแล้วมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวทุกข้อเลยเหีนงเนสัตชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนมีอิริยาบถสามคือเดินจงกรมนั่งสมาธิ ยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะฐานลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะฐานเพื่อถือตัดงข้อนั้นก็มีเกตณาที่จะเพ่งความภาคเพียรของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาให้จิตมันไดร้รอดไปนน่นไปนี้ด้วยการถูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไป ไปเหยียบย่ําทําลายให้แหลกเล้วมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนั่นแหละทุดงแต่ละคอเป็นอย่างนั้นฉันมือเดียวก็เหมือนกันฉันมือเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไรเพราะฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปนี้เท่านั้นไม่ใช่ฉันเพื่อความฟุ้เฟอเหอเหิมเป็นไปตามน้าทของกิเลสเพื่อความสวยความงามความ กำลังมีกําลังบังฉาอะพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั่นชันมือเดียวไม่เป็นกังวลนี่ก็จะหมดไปหมดไปไอ้เรื่องทุดงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พอแม่ครูอาจารย์พาดําเนินมาแล้วทั้งนั้นพอไปเห็นท่านดําเนินก็ยึดเอายึดเอายึ ด, เ อ, ยดเอาเลยแล้วยึดยึดอย่างฝังใจฝังใจ คือเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพาดําเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็กกให้เต็มพูนได้เต็มพูิของเราไม่มีข้อข้อใจสงสัยในทุกดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดําเนินพาดําเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนอยู่นั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่นสัมปัชชัญญะเนี่ย มีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้ปินิพิจารณทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้นั่นจึงได้นำอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้ มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนภพพิสุทธ์ทั้งหลายให้ดาเนินตามให้ฝึกฝนจิตใจถ้าตามธรรมดา ม, มันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั้นก็ได้แก่กิเลสมันฉุดมันลากเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้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 กิเลสทำงานมันจะทําให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทําเพื่อวัดตะวณออย่างวัดตะวณสามนั่นเองกิเลสสวัสด์เนี่ยขึ้นต้นก็บ่ากิเลสสวัสด์คือกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมออิปากวัสดเนี่ยมันก็ว่นไปนั่นกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรม เมื่อทํากรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วการรับผลดีผลชั่วแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมมาวัดมีอยู่สามนี่จะเรื่องของกิเลสทํางานทําไม่ได้ทําเมื่อทําออกทํางานไม่ได้เรื่องของกิเลสทํางานมันก็ทําอยู่ในวัดตาวน์นี่ไม่ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่ อยู่ใต้อนานาจแห่งการทํางานของจิเละจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดารายใดที่จะหลุดพ้นจากในวัดตะวันสามนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมข้าแท็บอือจะเรียกว่าธรรมวัดก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัดเป็นธรรมเพื่อชำระ จ, จิตใจของตนใจก็มีความสงบใจท่าสงบแล้วก็เย็นไม่ดีดไม่ดิน้น เย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผลล้าก็จะได้ทาความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นกว่านั้นจนท ะ, ทะลุกออกทางด้านปัญญาความรู้ทางทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงกิตนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคือ อ, อันท่านจึงเรียกว่ามรนะัก์นั่นสิ่งที่แฝงในจิตอันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามรกเพื่อชาระ สิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุทัยชําระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียนของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเ<ด>มื่อภาคเพียนอยู่โดยสม่ําเสมอชําระอยู่โดยสม่ําเสมออดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ําเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกําลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปอํานาจของธรรมคม มีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นด้วยเลยๆ ย, ย, ยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มให้พอใจในผลอันนั้นและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มมวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับๆยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่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 เรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเขียดลาบให้มีความจืดจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอดด้วยธทมนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้นทางนั้นก็จะมีกำลังเบามีกำลังน้อยหลงน้อยหลงมึงลำบากลำบาก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 ควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงความควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันจีดมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัดสู่ธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆดิมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจีดมันขวางอยู่ทุกอาการของกิดที่เคลื่อนไหวออกมาเพื่ออัดเพื่อทำจะต้องถูกจีดถูกขวางการถูกจีดถูกขวางนั่นแหละมันเป็นความทุกข์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 อาจสามารถที่จะเลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาปลอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกัน้นความจริงคือทำทั้งหลายไวไม่ให้อยากทาเพราะทายากนั่นความทายากคือเรื่องของกิเลสแท้ๆแต่มันกลับกลายเป็นไปให้โทษแก่ธรรมเดีวการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนทํานี้เป็นค่าศึกษาูต่อโลกต่อทงสาร นิเรศเป็นคุณต่อโลกไปเสียนี่ันเป็นอย่างนี้ถึงลำบากในการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลาย <c oughs> ยิ่งได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังสิ่งเหล่า น, นี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันนั่งรู้เองรู้เองรู้เอ ง, เองไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันติทิโกเพราะธรรมะของพระเจ้าเปิดทางในในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นจิเรศ ในทางที่จะให้ข้าวยิเลียดอยู่แล้วเมื่อดําเนินตามสายทำสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทําไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางทำอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้พั้ดได้เบี่ยงกันไปโดยลํำดับจนกระทั่งยิ่เลียดพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็มร้อยเปอร์เซเลยว่า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 เป็นความยากความลำบากในขนาดเดียวกันเท่ากับว่าถือธรรมนั้นเป็น่าสุแล้วแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียดือนรู้สิตัวนี่แหละความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้เ <c oughs> มื่อรู้มาเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่องของกิเลส ประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกันไม่ซ้ํารอยกันแหละแต่มันซ้ำในในสิ่งที่เป็นเช่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเขยดหลาบชางังชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เขยดหลาเนี่ยตาหูจมูกทิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละอย่างแง่ละทางแต่รวมแล้วก็เป็นรายได้ของกิเลสเข้ามาสูตรหัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละ เราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงๆต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปบุกเบิกเข้าไปสติปัญญาเป็นสําคัญมากในการประกอบความผาเลี่ยนนี่จึงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลยข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจาเป็นมากที่สุดยีเ่เลยกระดิกเท่านั้นสติดูแล้วนั่น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 สติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฟาดฟันเข้าไปสองหมัดสามหมัดอาวุธศาสตราอาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความภาคเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมากีดมากขวางอยู่ทั้งวันตั้งกับทั้งกันมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี่แล้วเท่านั้น ในเมื่อมีขันอยู่ก็เป็นธรรมชาติท้องจิตที่บริสุทธิ์อยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยข้อกิเลสหมดไปแล้วนั่นจะ อ, อะไรมาเป็นกิเลสอีกพอเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วค้นมันก็ไม่เจอไม่ไม่มีแล้วจะไปสนใจค้นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั้นเหมือนกับเสี้ยนกับน้ํามมัน หรือผงเข้าตาเราเนะี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกักากันได้นี่ในเรื่องของกิตเดชไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดมันพ้นสติปัญญาประเภทต่างนั้นๆไปมาได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายประเภทาติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดด้วยเร็วที่สุดไม่มีอะไรกินปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลย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 มากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทํางานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตกมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ําทําลายให้มันให้มันล้มเหลวไปน่นเราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ถ้าสติยังไม่มีกําลังพอตัวมันตั้งได้ อ, ะ, อะไร จะมาทําสตินี้ให้เผอมันมีกําลังกล้ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกําลังกล้ากว่ามันสักอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมันจะมาต่อสู้แบบหึกหันเหมือนอย่างอตอนกิเลสขั้นห ย, ยาบหยาบสติปัญญาขั้นห ย, ยาบๆนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะถึงขั้นมันมันเร็วมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกิน สติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารยิเลรมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นสิ้นใ น, ในไม่ช้าในไม่ช้าเลย oh. นั่นเมื่อถึงขั้นมันแน่มันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี้ขั้นมันยิเรมเนียมนานมากมันก็ยากละสิเพราะยิเรมกําลังมันมากกว่าเรา ทำยังไงก็มีคอยจะหงายหงายหงายอยู่เงั้นให้ถูกขี้เรียดตกขี้เรียดต่อยหนีวงกรรมฐานค่อยหมดไปหมดไปนี้นี้ตกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องทั่วๆไปในบรรดาจัตต์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยครัวอาศัยการอาศัยพระอาศัยเนนหรือพระเนรจะต้องอาศัยอัดธรรมทั้งหลายนี่แล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้น ไม่ค่อยจะมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจนอกจากสิ่งทำลายมากกว่าเข้าทำลาย จ, จิตใจนี่สิมันน่าทุเลตนะลองดูไปที่ไหนที่ไหนมันมีถึงแต่ทะเลถลายทะเลถลายเพราะอำนาจของกิเลสฉุดกไปยังภูมิใจในความฉุดกของกิเลสไปเสียอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติ หรือปัญญาขั้นละเอียดกว่านี้ไม่มีต้องยอมตนเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าสติปัญญามันแก้วกล้าสามารถนั้นแหละสิ่งเัลนี้ถึงจะมาผ่านไม่ได้ผ่านก็เป็นขาดจะบั้นไปเลยนี่นับวันหมดไปหมดไปวัดก็ศักดิ์แต่ว่าวัดพระก็ศักด์แต่ว่าพระ การประกอบความภาาเปลี่ยนไม่มีความส น, สนใจว่าเป็นกิจการงานของตนทะเลถลายไปภายนอกแต่เรื่องความอยากนี่มันเต็มหัวใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นีเ่นนนเต็มท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันบุบบังเลยถ้าไม่นำํำทำเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วอย่างไงก็ไม่เห็น ของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศดที่พระเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกหุ้มห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติที่ว่าเลิดเลือดนั้ น, นฟังสิอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดละเอียดที่ละเลียดนั้นมาเป็นตัวเลิอด บางนะบางธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้ไว้เราไม่รู้นี่เ<ม>พราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีดีไปดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่ดู<ม>ก็ว่าอันนี้เลิศอันนี้เลิศมันเลิศในเรื่องของกิเลสไปเสียมันไม่เลิศในเรื่องของธรรมนี่ยกตัวอย่างที่ที่ว่าจิตผ่องใสคืออวิชชานั่นแหละความผ่องใสมันก็ไปคร่าเอาไว้เสียก็เห็นว่าอ น, นี้เลิศอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้ออิ่นอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่น เป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันนะมันติดมันจนน่หลงมันจนไหนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ยังไงยุดสิไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักเนี่ยเพราะติด น, นี่นานเพ็นมไหน ม, มันครอบเอาจ น, น่ได้นะความจริงอันนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นของเลือดของประเสริฐมันสิ่งหลอกลวงต่างหากแม่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแล้วอันนี้คือสิ่งหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันมาแหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวพื้ปล่อยจิจเมื่อธรรมชาตินิบถูกสติปัญญาสลัดตัดลงออกโดยสิ้นเชิงแล้วอันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบ ทีน่นี่นั่นะเอโกธรรมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนนวลนั่นแหละที่เรียกว่าเอโกธรรมโมคือวา่าทําขั้นเอกอละเอ ก, เอกะนะั่นนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยสิถูกสิ่งปลอมๆ อ, อย่างละเอียดมันไปเคลือบไว้ให้จนเกิดควารรมวัฏจักรจนไดน้นั่นะเห็นไหมละเอียดไหม เอาไปนี่มันจะได้ยินแต่คำว่าละคำที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตำรับตำลาหรือเทพก็จะหมดไปในในไม่ช้าก็หมดไปก็จะเหลือแต่ตำรับตำราที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจ ถูกกิเลสมันเหยียบย่ําทำลายเพราะอํานาจของมันหนาและมากกว่าทําให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรอีนาเลความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วนี่กีกับกี่กันมันมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเรามัน ก็ก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งเหล่า น, นั้นก็มีก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมาชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ไปได้ยินได้ฟังไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั่นมาเป็นสิน่งพาดพิงกันนั่นเองก็เป็นธรรมารมติดอยู่ภายในนั่นอย่างแนบสนิท แกะไม่ออกแล้วไม่รู้วิจะกแก้วิธีไหนนี่มันลําบากอย่างนี้พอมาทราบจะตื่นไปอะไรปีนาดูแล้วมไม่มีอะไรที่จะตื่นครั้งที่ว่า ด, ดินเนี่ยน้ําลมไฟผิดขึ้นมาอะไรก็ อ, ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายมันม็นว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อันนั้นดีอย่างนั้นอันนี้ดีอย่างนี้ว่าไป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 ท่านเพงไม่ไม้เสียกสันปั้นยอว่านั้นดี น, นี่ดีพอจะประติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือหรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ทั้เวลาแล้วนะฟังสิจะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะ่ะก็เหมือนอย่างน้ําเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้าอะไรมาใส่มันก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลักธรรมชาติที่เป็นทำเป็นทำพอตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรตูน พอที่จะไปไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี่เพราะธรรมชาตินี้พอแล้วพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยแนล่ล่ะทมที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านเจนเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันเนี้ยเดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็น สักเป็นบาลีหรือเป็นคำแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็าตามก็สักแต่ชื่อทั้งนั้นเองหลักธรรมชาตินั้นจริงจิงกิจถ้าไม่สิ้นจิเลศแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้น่ะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่อันนั้นเป็นเพื่อนสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์ท่านั้น่นเปว่ากิจบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอนนันไม่ได้เหมือนอะไรไอไอเวทนาที่เป็นอยู่ในขันห้านี้ มันอยู่ผิวเผินเผินนี่เช่นทุกขเวทนานะนมีอยู่ตามร่างกายนี้ส่วนจิตนั้นมนนนันบันลายไปตั้งแต่ขนาดที่กิเลสสิ้นจากไปแล้วนั้นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีอืมขาดจะบ้านออกหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุิเวทนานั่นก็เป็นสมมุดนี่จะอไปเข้ากับวิมุตต์ได้อย่างไรคิตแต่วิมุตต์ไม่เข้ากับสมมุดน่ะเป็นหลักธรรมาชาตินี่จะเอาอะไรไปเทียบเคียง สุขของท่านประมังสุ ข, ขังประลองสุ ข, ขังถ้าจิตไม่เป็นประมังสุ ข, ขังว่าเท่าไรก็ว่าท่านจนอกแตกก็แตกเพิ่งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วเช่นพระอรหันต์ท่านนะมันต่างกันหนึ่งอันนี้สิโลกไม่เห็นเนี่ยโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีใจใจมีความพอใจได้ยังไง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 ที่เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้รู้กับรู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอํานาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสัรปันส่วนหรือเป็นเจ้าของไปบีบไปไปรีดไปไถ่เอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมา น, นั่นเพราะั้าโลกนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าสุกขมีตรงไหนนั่นแหะทุกข์มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนแน่นอนไม่เว้นนถ้าไม่ใช่บรมมาสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้น แล้วเราตายใจที่ตรงไหนพีนาสิเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเล็บเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนกิดออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหลนี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมและว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรียกวิวมุตติกิจนี้นยไม่รู้พูดถึงเรื่องความละเอียดจริงว่าละเอียดเอาสุดสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปคาดธรรมชาติอันนี้ได้เลย นอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วทาํานัคาดไม่คาดก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยับแยกหรือแยกแยกแยกแยะหรือยับออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่นั้นเสียนแต่จําเป็นโลกมีสมมุติก็ต้องให้มีทั้งๆที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเทียงอย่างที่ท่านวันนี้พานนิพา น, น, พานคำ ว, ว่านิพานศูนย์ศูนย์ยังไงหรือนิพานเป็นบรมสุบรมสุยังไง จะรู้ได้ยังไงถ้าจิตไม่เป็นนิพพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าจะตนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์สิพอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้อันนัะมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นว่าคําว่ามีมีเหมือนอย่างโลกสมมุตินี่อีกหล่ะเนี่ยคําว่าว่ามีอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในทรามกลางแห่งความมีจริงๆดังโลกสมมุติ ไม่ได้มีอยู่ในความศูนย์ดังโลกสมมติกันอีกนะั่นมีอยู่ในสถานที่โลกเอื้อมไม่ถึงนั่นเองปุ่นง่ายๆอะมันเต็มไม่เต็มเอก็คือ น, นั่นถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเห็นนี้เป็นยังไงก็ทําใจของฉให้มันถึงขั้นนั่นดิจะไปถามใครพอเจอเข้าอะไรก็หนองอ้อก็ามาทันทีอ้อเป็นอย่างนี้เหรอเท่า น, นั้นเองมีพระพระยิงมากยิงใหม่ขึ้นมา อากาศให้ขยายขยายก่อนมันขยายขยายจนเต็มมัดเต็มมัดอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้เนี่ยพวกกระถอมพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรเอามากินหัวสมกันอยู่ในครัวนี้ในนี้อยาเอามาเป็นอุปกรณ์นนะมันขวางตาเราเหลือเกินมันกลัวตายเหรือมันเป็นยังไงมาให้หนักใจทําไมเห็นแก่ปากแก่ท้องเพียงเท่านี้นี่นะนี่เคยพูดนั่นอยู่เสมอนูนะ้นไปขวนเอากระเทียมจากข้างหนมาเป็นพาระป่าปังเอาจริงๆนะ เอาจริงเอาจังถ้าเป็นของอย่างนี้เอาจริงหัวสูงกันเลยอย่างจริงอย่างจังมากทีเดียวความเพียรไม่เป็นท่ามันทุเลตนะเรานะก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วของคู่ว่าจารีงท่านก็ไม่เคยอืเราอยู่กับท่านไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเราเองก็ไม่ค่อยสนใจฟาดกันอยู่ไม่อดข้าวจนจะก้าวขาไม่ออกก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งพวกนี้นะนี่อะไรข้าว ก, กินอยู่นั้นทำไมมันต้องไปสนใจนักหนา มันทําให้หนักหัวใจนะหนักหัวอกนะมองเห็นภาพป็นเป็นแต่ไม่พูด <c oughs> นี่เมื่อวานนี่เห็นเด็กไปขนหัวกระเทียมมานั่นสิเหตุที่มันจะจะเทือหนหัวใจนี่ขนไปไหนนี่่ะทั้งหัวก็ทั้งหัวเทียมทั้งพริกทั้งอะไรมาจะเอาไปเนี่ยไปตีครัวนี่สะดับฉันตอนบาอ่ายเอาไปทําไมเอาคืนเหวะไล่กลับคืนนั้นเดียวแต่นี้ต่อไปอยายุ่งนะใครนี่หัวหอม ห, หัวกระเทียมแลไรนี่ มันมันโอ้ยอะไรพูดไม่ถูกนะทําให้อ่อนไปหมดในหัวใจเรานี่ไอ้พระกลัวตายเนี่มันอะไรกันความอดในสิ่งวันนี้ถ้าเราไม่เคยอดเราไม่ว่านะนี่เคยมาก่อนหมู่เพื่อนนั่นนะหมู่เพื่อนที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมเคยมาก่อนทั้งนั้นนะว่างเมันเป็นยังไงเราก็รู้ดีก็เราทํามาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นจะตายรู้ ถ้าไม่ใช่จิตเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปให้ถึงกับต้องเป็นภาระอะไรยินยินมันแล้วมันจะตากระตายสิว่างนั้นคำเดียวเท่านั้นหมดเลยไม่มีทางที่จะมาคัดค้านเราได้นะถ้าทําเด็ดออกแล้วอันนี้มีแต่กี้เหลวมันเด็ดออกแล้วสิมันเด็ดทำเด็ดทำกลัวจะตายกลัวจะตายไม่ได้หน้าไดหลังอะไรนี่เนเรื่องน้ํำอ่อยน้ําตาลเหมือนกันทําเงินมันหมดแล้วจะไปหาซื้อฮัก หาบุ่นวายมามันมีเราก็ฉันตามเรื่องมันมีมนี่จะทําให้เป็นภาระกังวลวุ่นวายมันจะมาสร้างภาระอันใหญ่ขึ้นอีกผมไม่เคยมีนะอย่างนี้แล้วมันจะมามีทับหัวผมอีกนี่ผมนําหมู่เพื่อนนําหมู่เพื่อนมาโดยลำดับลำดาผมไม่เคย ย, ยุ่งกับเรื่งองอันี้แล้วหมู่เพื่อนก็จะมาเอาอะไรขึ้นมาอีกมาทับหัวโอผมอีกเรื่องเหล่านี้กังวลกับเรื่องอ ย, งงองอยู่เรื่องกินตอนเช้าก็กินตอนบ่ายก็กินยุ่งกับตั้งแต่เรื่องการกินมันเรื่องอาะไร มันอดคิดไม่ได้นะเพราะเรื่องของการฆ่ากิดเลสละเยียดยิ่งกว่านี้ไปอีกมากมายห่า่กองเพียงเท่านี้มันมันฟัดมันเบี่ยงมันอดมันกั้นกันไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่อันที่สำคัญที่สุดมันทำให้สะดุดใจอยู่ไม่หยุดนี่น่ลอ น, น, น, น, น, น, นล่อ น, นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำยังไงยิ่งมิตกวิจารกับหมู่เพื่อนอายุขยิ่งแก่เข้าไป อาจขันก็ลดลงลดลงเวลาลุกเดี๋ยวนี้ได้เป็นภาละานะตั้งท่าลุกแล้วนั่นาอายุขนาดนี้ปีนี้เริ่มรู้ชัดเวลาจะลุกจะตั้งท่าแต่ก่อนไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งพับขึ้นเลยอยันนี้รู้ชัดว่าได้ตั้งท่าจะลุกไม่ยังงั้นมันลุกไม่ขึ้นลุกนี้ไม่ขึ้นนี่เป็นยงไงแล้วดูพระดูเนรที่มาอยู่นี่ก่อหลายปีแล้วเดือน แทนที่จะเป็นหน้าเป็นหลังมันก็กลับนี่แต่ผลนลบลงเมาแล้ก็ยิ่งเข้าเข้ามาตีหัวอกผมนัม้นแตกกระจายไปดูําดับอืมันดูมันไม่น่าจะเป็นอนุโมทนาให้เป็นที่เบาอกเบาใจสมกับเทศสอนด้วยไม่มีอะไรเหลือภายในหัวอกนี้เลยนะนําออกมาเทศฟังสิจะไม่มีอะไรเหลือแล้วผลเป็นยังไงเป็นยังไงขี้เหร่แหลมคมไหมเจ็งไหมพี่น่าดี มันออกมาตีสลาดได้สบายสบายไม่มีสะทกสถท้านกับอัดกับทำอะไรเลยนี่นี่นาดิ่ันเก่งไหมกิเลสแหลมไหมละเอียดไหม ม, มาตีสลาดในวงพระปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่แล้วนั่นยังไม่รู้ว่ามันฆ่าเร า, เราทำลายเราอยู่ตลอดเวลาในความเคลื่อนไหวภายในภายนอกมันบอกอยู่ชัดเจนทีเดียว ไม่เทศนานแล้่ผมก็อ่อนใจแล้วนะทุกวั น, นมันเป็นยไงมันทำให้หดให้หูนันเป็นมันละวูพ่วงยิงไหลมาไหลม า, ลมาให้แบกให้หามด้นี่ตามประสาสายมย อ, อของก็ดังที่เคยพูดนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเหมาะแล้วนะ่ะนนี้ก็ทนน้อยเฉ ย, ยนี่แก่คนญาติโยมผ่าเนยนมาเกี่ยวข้องทนแสนทนนะผมไม่ได้ยินดีกับอะไรนี่นนเพียงอาศัยวันเ แลอยู่ในโดยลาพังเดียวของเพียงขันห้านี้มันพอเหมาะแล้วพยุงกันก็เพียงห้าขันห้าแล้วอันอื่นมาอีกมาแบบมาหามี ก, ก็ยิง่งหนักเข้าหนักเข้าเหมือนกับว่าตายง่ายเข้าไปนะ่ะคุณง่ายเหนื่อยเริ่มต้นๆนี่นะบินทบัตก็ดีบินธบัตรให้ทําความทั้งรวมแนละ้วนี่เคยพูดแล้วนะแล้วมองไปอย่ากให้มันสะดุดตานะบินทบทัตรหา ความทั้งรวมไม่ได้นี่เลวที่สุดพระกรรมาฐานเราดูอะไรดูแต่ในบาทดูวละเธอไปทำไมเธอหาอะไรมีน่นาใชท่านสอนว่างไงบินตบาทลรับาทท่านสอนว่างไงฉันอาหารฉันสอนว่างไงมีความสำคัญอยู่ในบาทเท่านั้นนั่นตั้งสิ เขามาเสบา่าเขาพี่นาเป็นธรรมถ้าจะแยกไปทางไหนก็แยกถ้ามาแยกเป็นท่ากับทา่าจะแยกไปทางไหนได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมรอบตัวอยู่แล้วถ้าเราจะนํามาใช้ให้กี่เอาไปกินหมดตัวเราเองก็เป็นอะไรไปมันเป็นของวิเศษวิโสไปทางไหนอันก้อนา่าสีดินั้นนองไฟซึ่งเป็นป่าชาผีดิบเนี่ยมันเอาอะไรมาวิเศษวิโสทีนี่แล้วอันผู้สิที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องเรามันเอาอะไรมาวิเศษวิโส ต, ต่างจากของที่มีอยู่ของเราไปละ พอที่จะตื่นจะเต้นเป็นบ้าไปมันพินาเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งที่พินาได้ชัดๆอยู่นี่เห็นอยู่จนชัดถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วมันจะกระจายให้มันออกจริงใดมันไม่เคยรู้มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเบิกของตัวของมันออกไปถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเถอยอยู่ข้างนอกมันไม่มาสนใจกับความจริงง่อยมันก็ไม่เห็นที่ความจริงมีจะทับหัวแตกหรืถ้าเป็นสิ่งที่ทำหัวแตกมันก็ไม่เห็นแตกแต่หัวสิ่งที่มาทับไม่เห็นสิ่งที่มาตีไม่เห็นว่าไงของจริงเนี่ย ไอ้ยึลงไปมันก็ไม่เห็นพราะยีเดปิดไว้หมดไม่เห็นนั่นความลืมตัวปิดไม่หมดไม่เห็นไม็ย่างนั้นนะหมดไปหมดไปคุณบมมาจาังมีแต่แสงแซงก็ไปเลยแสงหน้าแสงหลังหลวงผ่อแม่ครูอาจารย์มาผมไม่ลืมได้ออกมาเขียนในประวัติทา่านเวลาจิตรวมเพิบลงไปนะดูพระดูเนรนี่ไหมแสงหน้าแสงหลัง ลุกลี้ลูกลนท่านวะกํากหนดดูแล้วผู้ที่เดินตามหลังมีมีน้อยทา่านเดินตามหลังด้วยความสงบเสง่ยมงามตามีน้อยมากท่านวะอัที่วิ่งแซงหน้าแซงหลังนั่นนี่ลูกลี้ลูกหลนนั้นมากต่อมากท่านกําหนดพิจารณาเป็นเพราะอะไรยจรึงต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความขนมาเลยนะโอที่แซงหน้าแซงหลังคือพวกที่อวดดีอวดเด่น พวกขายก่อนซื้อพวกที่เดินตามหลังก็คือลูกศิษย์มีครูนาเนินตามครูตามหลักทำหลักวินัยนั่นก็งามตานี่มีน้อยท่านวะเอาว่าพี่นาเลยลท่านไม่มีอะไรเลยเลยพระแม่กูชันมันอยู่แต่ในป่าเป็นประจำนะจนกระทั่งวันท่านานิพพาน นั่นอยู่แตในป่าเป็นประจำประจำอุด ม, มีแต่เรื่องอัาเรื่องทำทั้งนั้นลื่นลมหรือว่าอบอุ่นอยู่กับท่านอบอุ่นซึ่งทุกอย่างเลยอยู่กับท่านบุปเป็นธรรมอะไรมีมากมีน้อยไม่ได้สนใจให้อิยาบทเป็นไปด้วยความสม่มําเสมอเท่านั้นเป็นที่พอกับาธาตุขันธ์ของท่านแล้วะ ห้าโมงเย็นท่านลงเดินยัางกมเริ่มขนาดนี้ท่านถึงจะขึ้นท่านเดินวันหนึ่งวันข้างหนึ่งหนึ่งโอ้ได้ตั้งชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านึงคนเราดูอยู่นี่เวลาท่านเดินท่านเป็นคนจริงจังมีสัตว์จะความจริงเป็นประจำองค์ท่านนะทำอะไรท่านจริงจังไปตามนั้นไม่ล้มไม่เหลวถึงเวลาจะเดินยัางคม เงยเตรียมกันลงุงตอนเช้าก็ อ, ออกจากที่แล้วก็เข้าทางกรมถ้าเน้นก็จัดที่จัดอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ต่างเดินยงกรมจัดที่ควบที่ฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างถ้าเดินยงกรมได้เวลาแล้วก็ถึองอย่างมารวมกันไปบิณฑบาตนี่ปฏิบัติธรรมของพระแม่อาจารย์พระดาเนินมา ก่อนมีตาบาดได้เดินยองคมแก่อนสําหรับเราก็เราก็ทําของเราอย่างนี้เป็นประจำํำแต่ไหนแต่ใดมาแล้วเราก็ทําตามกําลังของเราตอนเชา้าเราก็ลงจากกุฏิแล้วก็ไปเดินยองคมในป่าดูได้วเวลาจะพอแล้วก็มานอกจากมีธุระอะไรที่ควรจะมาไม่ได้ไเดยนยองคมอยงนั้น ก็มาตามเหตุการณ์อนั้นถ้ามันมีอะไรแล้วก็เดินอย่งขงมนันมาก็กราบพระฉันแล้วก็ออกเดินเดินก็เดินอย่งข้มไปบินตาบานเพราะงั้นจึงไม่ใครไปยุ่งกับเราเราไปคนเดียวเรามเหมาะเหมาะพอดี จ, จริงๆเดินไปกําหนดพิจารณามีร้อยแปดพันประการที่จะเป็นขึ้นภายในจิตใจนี่ใครไปรู้ได้เห็นได้ในความเป็นของเราอืม เพราะฉะนจึงไม่ให้มีอะไรไปยุ่งเราบางทีก็กําหนดในเมื่อนทำต่างๆทํานั้นมีความลึกตื้นอยาละเอียดแค่ไหนมันจะวิ่งตามกันปรบๆอพอเข้าใจแล้วปล่อยปล่อยนี้ปั๊บจับนั่นปุ๊บพี่นานแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของภาวนาฆ่ากิเลสเป็นทุกวันมันจะเป็นเพราะความเท่าความแก่หรือเลยมันไม่ไปแบบนั้นมันไปแบบพิจารณา เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องตื้นยานอะไรของทำบทต่างๆแง่ต่างๆเนี่ยไปเห็นไปเจออะไรก็ไปนี่มันนเป็นนั้งมันนั่นแหละฮึสติมันเป็นหลักธรรมชาติลองดูซิเห็นเจออะไรก็ไปนี่มันจะไม่สะดุดยังไงมันต้องสะดุดได้ยินอะไรสะดุดเพราะสติอยู่กับตัวเป็นเจ้าของรักษาบ้านเฝ้าบ้านอย่างนี้มันจะไป เธอเธอมองมองเลื่อเผยสติไปไหนเหมือนคนผีบ้าน่ยสติอยู่กับตัวสัมผัสอะไรปั๊บมันเป็นเรื่องความเหมือนกับว่าความจงใจเพราะสติมันอยู่ในนั่นรู้รู้รู้มองบรรลุกับมองทความรู้อยู่กับเจ้าของนี่มันไม่ได้เผอถ้าลงมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นก็ใครก็รู้เองนี่นะคําว่าเผอเอามาจากไหนคําว่าเผอไม่เผอเปอ็นเรื่อ ง, องสมมุติฐานน่ะ นักธรรมชาตินั้นมันอยู่กับตัวพูดไม่ถูกก็ตามแต่มันรู้อยู่ถูกถู ก, ถกทีว่าไงชัดๆภายในหัวใจนี่ที่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ขอให้เขียนไม่ได้เข้าถึงนี่มันจะเป็นยังไงมันยอมเองยอมพระพุทธเจ้ายอมภาษาวกท่านมันเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอื่นมาจากไหนเพราะพุทธเจ้าสอนลงเพื่อความเป็นอนั้นนี่นะสอนสาวกมันให้แยกทางออกจากศาสนาว่าไปตรงไหนไปวิเศษวิสูจอยู่ที่ตรงไหน เอามาแข่งศาสนานี่ไม่เคยมีช้อนลงจุดเดียวกันมีวงอริยสัจเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เอาก้าวลงไปพิจารนาลไปในวงอริยสัจความบริสุทธิ์จันไม่นอกเหนือจากวงอริยสัจนี้เลยเมื่อถึงขั้นแล้วความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนที่เรีว่าจิตเป็นของที่ละเอียดอามากที่สุดใครคำนวณไม่ได้คำหนึงไม่ได้คาดคะเนไม่ได้เลยเรื่องของจิตเนี่ย ไม่อยู่ในความคาดธนาคาดการณ์ความเดาของไครทั้งนั้นหมายว่าลูกของเข้าของนั่นสินั่นไม่งั้นจะว่าเลยโลกเลยอังสารได้ไงเนื้อโลกเหนือองสารได้ไงมันไม่มีอะไรเป็นขอบเขตของจิตธรรมชาตินั้นออืมันเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเอ ง, อ ง, เองรับรู้อยู่ในนั้นอย่างูทธเจยาทั้งหลายสาวกทั้งหลายต้นรู้นั้นเอ้วเราเนี่เพียงตัวเท่าหนูเราจะเอาไปเที่ยวคูเที่ยวได้ไง ทเป็นยังไงมันยิ่งให้ซึ้งลงไปนะต่างหน้าต่างตาปฏิบัตินั่นอะี่เขา้าราษาแล้วประกอบความเปรเียนงานการระอย่ายุ่งชั้นเสร็จนีรีบล้างรีบเช็ดอะไรน้วรีบไปอย่ามาเป็นเนพ่นผ่านผ่านนี่เคยพูดแล้ว น, ะนั่นยังแล้วเบื่อจะตายแนละ้วอุดอาดอุดอาดเรานี่เหมือนกันอาละแค่นี้ละนะนะ